ปัญเทศบรรดามาติกาเหล่านั้นโกทะเป็นไฉนความโกรธยุริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายยุริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายยุริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความยินร้ายความยืนร้ายตอบความดุร้ายความเกลียวกราดความที่ฉิตไม่เบิกบาน นี้เรียกว่าโปทะอุปนาหะเป็นไนความโกรธครั้งแรกชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธคิริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธการไม่อยู่โกรธการตั้งความโกรธไว้การดำรงความโกรธไว้การโผลลงไปตามความโกรธการตามไปผูกโกรธไว้การทําความผูกโกรธไว้ให้มัน่น มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุปนาหะมักขะเป็นไนความลบหลู่คุณท่านกิริยาที่ลบหลู่คุณท่านภาวะที่ลบหลู่คุณท่านความดูหมิน่นการทาความดูหมิน่นนี้เรียกว่ามักขะปลาสะเป็นไนความตีเสมอยิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวะธรรมที่เป็นอาหารแห่งการตีเสมอ โดยนำเอาความชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาดความแข่งดีความไม่ยอมสละนี้เรียกว่าปราสะอิสสาเป็นไนความริษยายิริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังยุริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อคนอื่นได้ลาบสักการะได้รับความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชา นีเรียกว่าอิสามัชยริยะเป็นชไหนมัชยริยะหคือหนึ่งอาวาสมาชริยะตรณีที่อยู่ 2. กุลมัชยริยะตรณีตระกูล 3. ลาภามัชยริยะตรณีลาบสวัรณามัชยริยะตรณีวัณณะหรือคุณความดี 5. ธรรมมัชยริยะตรณีธรรมความตรณีกิริยาที่ตรณี ภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตหวงแหนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามัจฉริยะมายาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตเรื่อกายวาจาและใจแล้วตั้งความปรารถนาลามกไว้เพราะมีความต้องการจะปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุคือปรารถนาว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเรา ดำริว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราพูดว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราขนขวายด้วยกายว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ยุริยาที่หลอกให้หลงความลวงความโกงความกลบทเบือนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปกปิดความปิดบังการกระทำไม่ชัดเจนการไม่ทำให้แจ้ง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 อวิชชาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นเรื่มคืออวิชชาอกุศลลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาภวะตัณหาเป็นไนความพอใจในภพความยินดีในภพความเพลิดเพลินในภพความปรารถนาภพความเยื่อใยในภพความเร่าร้อนเพราะภพความสยบในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าภวะตัณหา ภวทิฏฐิเป็ น, นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกจกมีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าภวะทิฏฐิวิภวทิฏฐิเป็ น, นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกจกไม่มีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิภวะทิฏฐิ สัสตทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตาและโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสัสตทิฏฐิอุเชททิฏฐิเป็นไนคะวามเห็นว่าอัตาและโลกขาดศูนดังนี้ทิฏฐิคะวามเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุเชททิฏฐิ อันตวาทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอันตวาทิฏฐิอันนันตวาทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าอนันตวาทิฐิปุพพันตานุทิฐิเป็นไนทิติธรรมชาติที่นับว่าทิฐิความยึดถือโดยวิปัาสปรารฏส่วนอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปุพพันตานุทิฐิอปรันตานุทิฐิเป็นไนทิติธรรมชาติที่นับว่าทิฐิความยึดถือโดยวิปัาสปรารฏส่วนอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอปรันตานุทิฐิ อหิริกะเป็นไนความไม่ละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายความไม่ละอายต่อการประกอบบาปอาคุโสณธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอาหิริกะอนโนตปะเป็นไนความไม่เกลืนกลัวต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกลยนกลัวความไม่เกลืนกลัวต่อการประกอบบาปอาคุโสณธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอนโนตปะโทวจัจสตาเป็นไน ความเป็นผู้ว่ายากกิริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดผืนความพอใจทางโต้แยง้งความไม่เอื้อเฟื้อกิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัจสตาปาปมิตตาเป็นชไหนบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาไม่มีศีลมีการศึกษาน้อย มีความตรนีมีปัญญาสามการเสดการเสดเป็นนิดการเสดด้วยดีการคบการคบด้วยดีความพักดีความจงรักพักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้ร่วมพัว ก, กับบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าปาปมิตตาอนัชวะเป็นไนความไม่ซื่อตรงภาวะที่ไม่ซื่อตรงความคดความงอความโกง นี้เรียกว่าอนัชวะอมัตวะเป็นไนความไม่อ่อนโยนภาวะที่ไม่อ่อนความกระด้างความหยาบคายภาวะที่กระด้างความแข็งกระด้างความมีจิตแข็งกระด้างความไม่อ่อนโยนนี้เรียกว่าอมัตวะอักันติเป็นไนความไม่อดทนภาวะที่ไม่อดทนความไม่อดทนความดุร้ายความเกลี้ยวกราอ ความที่ฉีกไม่เบิกบานนี้เรียกว่าอาขันติอสวรรจจะเป็นไนะความล่วงละเมิดทางกายความล่วงละเมิดทางวาจาความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความไม่ส ง, งมความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดเรียกว่าอสโสวรรจอาชาขันระยะเป็นไนะวาจาใดเป็นปมหยาบคายเผ็ดร้อนต่อผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่น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 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ทําการปฏิสันทานด้วยอามิสสะปฏิสันทานหรือด้วยธรรมะปฏิสันทานนี้เรียกว่าอปฏิสันทานความเป็นผู้มิคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยจกักษุแล้วรวบถือแยกถือซึ่งเมื่อไม่สมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้าบาปอกุโสลธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงำได้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 ไม่รักษามะนิลสีไม่ถึงความสำรวมในมะนิลสีความไม่คุ้มครองเิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมในอินทรียหกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคลายย่อมบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมา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 ความหลงลืมสตินี้เรียกว่ามุทสัจจะอาสัมปัญญาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชชาอากุศลมรมูลคือโมห OH ะนี้เรียกว่าอาสัมปัญญะศีละวิบัตเป็นไนความลุ่งละเมิดทางกายความลุ่งละเมิดทางวาจาความลุ่งละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าสีละวิบัต ความเป็นผู้ทุศีนแม้ทั้งหมดชื่อว่าศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นไนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลละถึงสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลา มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติมิชฌาทิฏฐิแม้ทั้งหมดเรียกว่าทิฏฐิวิบัติอัชชะสัญโยชนะเป็นไนะสังโย์เบื้องต่ำห้าชื่อว่าอัชตสัญโยชนะพระหิทธสัญโยชนะเป็นไนะสังโยน์เบื้องสูงห้าชื่อว่าพระหิทธสัญโยชนะทุกขานิเทศจบ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 ความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ความหวั่นไหวความหลอกลวงธรรมชาติที่ยังสว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีคายธรรมชาติที่สร้นไปธรรมชาติที่สร้นไปในอารมณ์ต่างๆธรรมชาติที่เป็นกระแสธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนใจ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 ความปรารถนาจัดกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาตันหาในรูปประพบตัญหาในอรูปประพบตัญหาในนิโรธคือราคะที่สหรคตด้วยอุเฉติฐิรูปตัญหาสัทธตัญหาคันธตัญหารสตัญหาโพธพตัญหาธรรมตัญหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวรนนิวอ เครื่องปิดบังเครื่องผูกมัดอุปกิเลสอนุสัยปริยุท ธ, ธานะตัณหาเหมือนเถาวันความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆรากเง้าแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารแดนแห่งมารตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาเหมือนไข่ตัณหาเหมือนเชือกผูกตัณหาเหมือนสมุทรอภิชาอกุศลมูลเคลโลพะ นี้เรียกว่าโลภะโทสะเป็นไนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแกเราผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเราผู้นี้จะทาความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแกคนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกคนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเรา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 ความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันเกิดขึ้นความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอกุสนละมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอกุสนละมูลสามอกมุสนละวิตกสามเป็นไนอกศุศลวิตกสามคือ หนกามวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยองกาม 2. พยาปาทวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยความพยาบาทสวิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยความเบียดเบียนบรรดาวิตกสามนั้นกามวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอางการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยองกามนี้เรียกว่ากามวิตกพยาปาทวิตกเป็นไนความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลวิตกสามอกุศลลสัญญาสามเป็นไนอกุศลลสัญญาสามคือ หกามสั ญ, ญา 2. พยาปาทสัญญาสาวิหิงสาสัญญาบรรดาสัญญาสานั้นกามสั ญ, ญาเป็นไนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ที่เกี่ยวเรืยองกามนี้เรียกว่ากามสัญาพยาปาทสัญญาเป็นไนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ที่เกี่ยวกับความพยาบาท นี้เรียกว่าพยาปาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเป็นไนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้ที่เกี่ยวเรื่องความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาสัญญาเหล่านี้ชื่อว่าอากุศล ร, รสัญญาสามอกุศลแธาตุสามเป็นไนอกุศลแลธาตุสามคือหนึ่งกรรมธาตุสองพยาปาทธาตุ สวิหิงส า, าธาตุบรรดาอากศุศลธาตุสามนั้นกามาธาตุเป็นไนกามวิตกชื่อว่ากามาธาตุพยาปาทวิตกชื่อว่าพยาปาทาธาตุวิหิงสาวิตกชื่อว่าวิหิงส า, าธาตุบรรดาวิตกสามนั้นกามวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่ากามวิตก พยาปาทาวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวเรื่ความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาบาทาวิตกวิหิงสาวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวเรื่ความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าอากุสรธาสามทุจริตสามเป็นไน ทุจริตสคือหนึ่งกายทุจริตสองวจีทุจริตสมมนุทุจริตบรรดาทุจริตสามนั้นกายทุจริตเป็นไนปานาติบาตอธินนาทานและกาเมสุมิฉาจาร น, นี้เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตเป็นไนมุสาวาตปิสุณวาจาภรุสวาจาสัมผัปาลาปะนี้เรียกว่าวจีทุจริต มโนทุจริตเป็นไนอภิชาพยาบาทมิฉาทิฐินี้เรียกว่ามโนทุจริตกายทุจริตเป็นไนกายกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายทุจริตวจีกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีทุจริตมนโนกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนทุจริตบรรดาทุจริตสามนั้นกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นไน กายสังเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายกรรมที่เป็นอกุศลวจีสังเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนสังเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนกรรมที่เป็นอกุศลเหล่านี้ชื่อว่าทุจริตสามอสวาสามเป็นไนอาสวาสามคือหนึ่งกรามาสวะอาสวะคือกามสองผวาสวะ อาสวะคือพบสอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาบรรดาอาสวะสามนั้นกรามาสวะเป็นไนความพอใจในกรามความกำหนัดในกรามความเพลิดเพลินในกรามความอยากในกรามความเยื่อใยในกรามความเร่าร้อนเพราะกามความสยบในกรามความหมกมุ่นในกรามนี้เรียกว่ากรามาสวะภาวาสวะเป็นไน ความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายนี้เรียกว่าภาวาสะวะอวิชชาสะวะเป็นไนความไม่รู้ในทุกข์ลิ่มเพื่ อ, อวิชาอากุศลลมณลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาสะวะเหล่านี้ชื่อว่าอาสวาสามสังโยสสามเป็นไนสังโยสสามคือหนึ่งสักกายติฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน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 ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสาวบรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นตนและถึงเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนหรือพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิด ความยึดถือโดยวิปลาดมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสักกายทิฐิวิจิกิจฉาเป็นไงนป้ตุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในเสกขาย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอนาคตย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตและส่วนอนาคต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 ความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรต ด, ด้วยศีลและพรต ด, ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลปะตะปรามาเหล่านี้ชื่อว่าสังโยสามตัณหาสามเป็นไนตัณหาสามคือหนึ่งกามตัณหาความทยานอยากในกามสองภาวะตัณหาความทะยานอยากในภพ สามวิภาวะตันหาความทยานอยากในวิภพบรรดาตันหาสามนั้นภวะตันหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยภาวะทิฏฐินี้เรียกว่าภวะตันหาวิภวะตันหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรโคด้วยอุเฉตทิฏฐินี้เรียกว่าวิภวะตันหา ตันหาที่เหลือชื่อว่ากามตันหาบรรดาตันหาสามนั้นกลามตันหาเป็นไนความกำหนัดความกำหน Italia. ัดน <üllt> ักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วกกามธาดนี้เรียกว่ากามตันหาความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวกับรูประธาต์และอรูประธาตนี้เรียกว่าภวะตันหาความกำหนดความกำหนดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สะหอระโคด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่าวิภวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าตัณหาสามตัณหาสามอีกในหนึ่งเป็นไนตัณหาสามคือหนึ่งกามตัณหาสองรูปตัณหาสอรูปตัณหาบรรดาตัณหาสามนั้นกามตัณหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกรามธาตุนี้เรียกว่ากรามตันหารูปตันหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุนี้เรียกว่ารูปตันหาอรูปตันหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปธาตุนี้เรียกว่าอรูปตันหา เหล่านี้ชื่อว่าตันหาสามตันหาสามอีกในหนึ่งเป็นไนตันหาสามคือหนึ่งรูปปัตนหาสองอรูปตัตนหาสนิโรธตันหาบรรดาตันหาสามนั้นรูปปัตนหาเป็นไนความกำหนดความกำหนดนักความกำหนดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปปัธาน้เรกว่ารูปปัตหาอรูปตัตนหาเป็นไน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 หกาเมาสนาสองพระเวสนาสพรหมจริเยสนาบรรดาเอสนาสนั้นกลาเมสนาเป็นไนความพอใจในกลามความหมกมุ่นในกลามนี้เรียกว่ากลางเมสนาพระเวสนาเป็นไนความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าพระเวสนาพรหมจริเยสนาเป็นไน ความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพรหมจริยศาสนาบรรดาเอสนาสามนั้นกามเมสนาเป็นไนความกำหนัดในกามกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความกำหนัดในกลามนั้นนี้เรียกว่ากาเมสนาพระเวสนาเป็นไนความกำหนัดในภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความกำหนัดในภพนั้นนี้เรียกว่าพวเวสนาพระมจริเยสนาเป็นไนความเห็นที่เือว่าโลกมีที่สุด กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นอคุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียว ก, กันกับความเห็นที่ถือว่าโลกมีที่สุดนั้นนี้เรียกว่าพรหมจริยเยสนาเหล่านี้ชื่อว่าเอสนาสาวิทาสามเป็นไนวิทาสามคือความถือตัวว่าหนึ่งเป็นผู้เลิกกว่าเขาสองเป็นผู้เสมอเขาสามเป็นผู้ด้อยกว่าเขา เหล่านี้เรียกว่าวิชาสามภัยสามเป็นฉไนะภัยสามคือหนึ่งชาติภยัยภัยเกิดเพราะอาศัยชาติสองชาราภายัยภัยเกิดเพราะอาศัยชาราสา ม, มรณะภยัยภัยเกิดเพราะอาศัยความตายบรรดาภัยสามนั้นชาติภัยเป็นฉไนะความกลัวความขยาดความหวาดเสียวความผลพองสยองกล้าว ความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยความเกิดนี้เรียกว่าชาติภัยชราภัยเป็นไนความกลัวความขยาดความหวาเสียวความขนพองสยองกล้าวความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยชรานี้เรียกว่าชราภัยเมรณะภัยเป็นไนความกลัวความขยาดความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยความตาย นี้เรียกว่ามรณะภัยเหล่านี้ชื่อว่าภัยสามธรรสามเป็นฉไหนตรรมสามคือหนึ่งบุคคลเคลือบแคลงสงสัยไม่นอม้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการสองเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการสเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใส ปรารบปัจจุบันาการเหล่านี้ชื่อว่าตามะสามติทายาณาสามเป็นไนติทายาณาสามคือหนึ่งสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเรานี้สวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุก์ไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการสวยสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุก์ทั้งหมดนั้นเพราะเคยทําเหตุมาก่อน สสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเรานี้สวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการสวยสุขทุกหรือไม่ทุกขไม่สุขทั้งหมดนั้นเพราะเหตุคือเป็นผู้ใหญ่สร้างให้สสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า คนเรานี้สวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการสวยสุขทุกหรือไม่ทุกไม่สุขทั้งหมดนั้นเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหล่านี้ชื่อว่าติฐายตนะสามกินจนะสามเป็นชนัยกินจนะสามคือหนึ่งกินจนะคือราคะสองกินจนะคือโทสะสามกินจนะคือโมหะ เหล่านี้ชื่อว่ากินจนะสามอังคณะสามเป็นไนะ อ, อังคณะสามคือหนึ่งอังคณะคือราคะกิเลสเพียงดังเนินคือราคะสองอังคณะคือโทสะกิเลสเพียงดังเนินคือโทสะสอังคณะคือโมหกิเลสเพียงดังเนินคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอังคณะสามเมะละสามเป็นไงนะมะละสามคือ หมลค er ือราคะมนทินคือราคะสองมลคือโทสะมนทินคือโทสะสมมลคือโมหะมนทินคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ามลสามวิสมะสามเป็นไนวิสมะสามคือหนึ่งวิสมะคือราคะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือราคะสองวิสมะคือโทสะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโทสะ สวิสมะเพิ่โมหะความประพฤติไม่สม่ำเสมอเพิ่โมหะเหล่านี้ชื่อว่าวิสมะสามวิสมะสามอีกในหนึ่งเป็นไ น, นวิสมะสามคือหนึ่งวิสมะทางกายสองวิสมะทางวาจาสวิสมะทางใจเหล่านี้ชื่อว่าวิสมะสามอาคิสามเป็นไ น, นอคิสามคือหนึ่ง อ, อคิคือราคะ ไฟคือราคะสองอคิคคือโทสะไฟคือโทสะสอคิคคือโมหะไฟคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอคิสามภาษาวสามเป็นไงภาสาวสามคือหนึ่งภาษาวคือราคะกิเลสเพียงดังน้ำฝากคือราคะ2กงภาษาวคือโทสะกิเลสเพียงดังน้ำฝากคือโทสะ สามภาษาวะคือโมหะกิเลสเพียงดังน้ำฝากคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าระสาวะาสามภาษาวะาสามอีกในหนึ่งเป็นไงภาษาว่าสามคือหนึ่งภาาวะทางกายสองภสาวะทางวาจาสามภสาวะทางใจเหล่านี้ชื่อว่าภาษาวะาสามอาจาร ท, ทิฏฐิเป็นไน สมณะหรือพรามณบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่ากรามทั้งหลายไม่มีโทษดังนี้จึงบริโภคกรามนี้เรียกว่าอาสาททิฏฐิอัตานุทิฏฐิเป็นไงปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตจุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัพปรุตไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัพปรุตย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนหรือย่อมพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิด ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอาตานุทิฏฐิมิชฌาทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลและถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกนี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิด ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิศาสนาทิฐิชื่อว่าอส า, าทัทิฐิสกายทิฐิชื่อว่าอาตานุทิฐิอุเฉต ท, ทิฐิชื่อว่ามิจฉาทิฐิอรติเป็นไนความไม่ยินดีคุริยาที่ไม่ยินดีความไม่ยินดียิ่งคุริยาที่ไม่ยินดียิ่งความกระสัน ความดิ้นรนในเสนาสนะที่ส ง, งัดหรือในสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอธิกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าอารติวิเหสาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศาสตราด้วยเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งความบีบคั้นความรบกวนความเบียดเบียนความเบียดเบียนหนักขึ้น การทำให้เดือดร้อนการทำให้เดือดร้อนอย่างหนักการทำร้ายสัตว์อื่นมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิเหสาระธรรมวัจริยเป็นไนความประพฤติไม่เป็นธรรมทางกายความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายความประพฤติไม่เป็นธรรมทางวาจาความประพฤติไม่สม่าเสมอทางวาจาความประพฤติไม่เป็นธรรมทางใจความประพฤติไม่สม่าเสมอทางใจ นี้เรียกว่าอธรรมจริยาโทวจัจจสตาเป็นไนความเป็นผู้ว่ายากิริยาเป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้ามขัดขืนความพอใจในการโต้แย้งิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัจจสตา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 สัญญาที่เกี่ยวด้วยกวามสัญญาที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทสัญญาที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่านานา ต, ตัสัญญาสัญญาที่เป็นอกุศลแม้ทั้งหมดชื่อว่านานา ต, ตัสัญญาอุทจจะเป็นไนะความฟุ้งซ่านความไม่สงบความซัดสายความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทจจะโกสัจจะเป็นไนะความปล่อยจิต ความเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโหทุจริตหรือเนกามคุห้การทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพบความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่หมั่นประกอบ ความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลนี้เรียกว่าโกศาชาประมาทะเป็นฉไหนความปล่อยจิตความเพิ่มพูนความปล่อยจิตปณิกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือเนกามคุห้าการทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เจบ ความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าประมาทะอาศันตุติตาเป็นไงความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษ ด, ด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะ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 อาศัมปัญญาตามหิจชตาเป็นไฉนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้มีสันโดดด้วยจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศพรเริขารตามมีตามได้หรือด้วยกลามคุณห้าความอยากความปรารถนาความมากมากความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้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 ความไม่ยำเกรงนี้เรียกว่าอนาธริยะโทวจัจจสตาเป็นไนความที่เป็นผู้ว่ายากกิริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความถือรั้นความพอใจในการโต้แยง้งความไม่เอื้อเฟื้อภาวะที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัจจสตา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 อาสัตทิยะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ความไม่เชื่อกิริยาที่ไม่เชื่อกิริยาที่มีปักใจเชื่อความไม่เลื่อมใส ย, ยิ่งมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอสัตทิยะอวะัธัญุตาเป็นไนความตระหนีมีห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสัมมัชย์ยะ ตรณีที่อยู่สองะะกุลมัละมะชยริยะตรณีตระกูลสลาภามัชยริยะตรณีลาบสวันนามัชยริยะตรณีวันณนะหธรรมมัชยริยะตรณีธรร ม, ะมะรรความตรณีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความถี่เหนียวความปกปิดภาวะที่จิตหวงแหนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า อวััญุตาโกศะเป็นชนัยความปล่อยจิตความเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือเนกามขุห้การไม่ทําโดยเคารพการไม่ทําโดยติดต่อการทําโดยไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เจ็บความไม่ทําไม่เจริญความไม่ทําไม่มากความไม่ตั้งใจมั่น ความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวะธรรมที่เป็นกุศลนี้เรียกว่าโกสัจฉะอุทัจจะเป็นไนความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตความซัดส่ายความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทจจะอสังวรเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมในจกักขุนศี ซึ่งเมื่อไม่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนนสครอบงำได้ไม่รักษาจากขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูสูกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องพธิภะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนิศีซึ่งเมื่อไม่สารวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุแห้งบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโรมนัตครอบงำได้ไม่รักษามเินซีไม่ถึงความสารวมในมเินซีนี้เรียกว่าอาสังวรทุศีลยะเป็นไนความล่วงละเมิดทางกายความล่วงละเมิดทางวาจาความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าทุศีลยะ อริยานางอทัศนกรรมยตาเป็นไนบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระอริยะเป็นไนพระพุทธเจา้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยะความไม่ต้องการจะพบความไม่ต้องการจะเห็นความไม่ต้องการจะเข้าใกล้ความไม่ต้องการจะสมาคมกับพระอริยะเหล่านี้นี้เรียกว่าอริยานางอทัศนกรรมยตา สัทธรร ม, มังอโสตุกรรมยตาเป็นไนบรรดาบทเหล่านั้นสัทธรรมเป็นไนสติปทาน 4, สี่สมมปทานสี่อิทิบาสีอินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรมีองแปดนี้เรียกว่าสัทธธรรมความไม่ต้องการจะฟังความไม่ต้องการจะสดับความไม่ต้องการจะเรียนความไม่ต้องการจะทรงจาสัทธรรมนี้นี้เรียกว่า จะทัมังอสโสตุกรร ม, มยตาอุปารัมภจิตตาเป็นไนบรรดาบทเหล่านั้นอุปารัมภจิตตาเป็นไนความคิดแข่งดีความคิดแข็งดีเนืองเนืองกิริยาที่คิดแข็งดีกิริยาที่คิดแข็งดีเนืองเนืองภาวะที่คิดแข็งดีเนืองเนืองความดูถูกความดูหมิ่นความดูแคลนความเป็นผู้คอยสแสวงหาโทษ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 อกุศ ล, ลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาสัมปัญญะเจตโสวิเศปะเป็นไนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความสัดสายแห่งจิตความพลานไปแห่งจิตนี้เรียกว่าเจตโสวิเขปะอยโยนิโสมนัสการเป็นไนความไม่ใส่ใจโดยแยบคลายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงความไม่ใส่ใจโดยแยบคลายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่งามว่างามหรือความนึกความนึกเนืองเนืองความคำนึงความพิจารณาความใคร้โครนแห่งจิตโดยผิดจากความจริงนี้เรียกว่าอโยนิสมนัสการกุมมะคะเสวนาเป็นไนบรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นกุมัะคะเป็นไน มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรร ม, มันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินี้เรียกว่ากลุ่มมัคคะการเสดการเสดเป็นนิส ก, การเสดด้วยดีการคบการคบด้วยดีความพักดีความจงรักพักดีความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามทางผิดนี้เรียกว่ากลุ่มมัคคะเสวนา เจตโสลีนตตะเป็นไนความที่จิตไม่คล่องแคล่วไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความ ท, อท้มทอถอยความย่อหย่อนคิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความซึมเศร้าคิริยาที่ซึมเศร้าภาวะที่จิตซึมเศร้านี้เรียกว่าเจตโสลีนตตะเทกกะนิเทศจบ